การปฏิบัติทุกองกรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามต ตำหรักตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มัน่นคือพ่อแม่คุณคุณวัจจาย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำหรักตำราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งท้งด้านูินัยทั้งทางด้านธรรมะ กรมคืนไปตามตำหนับตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่า น, านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มี ท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมักทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอง ม, มาก็มีพ่อแม่กูจาจารจารมั่นก้องเหล่านี้เป็นที่ตายใจได้ ทั้งการพาดําเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษา อ, อตรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมาถะธรรมขึ้นไปจนถึปัจจนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุก ขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาพปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำรับตำลาไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกขแขนงออกไปหลายกิ่งหลายกา้าน สิ่งเหล่วนี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำหรับตำลาไปจะจดจารึ ก, กเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีกวอมเป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียว ทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นขั้นที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้ น, ข, นขั้นตอนตอนจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลส ไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก่อแสดงให้ฟังทุกแง่ทุกหมงแตบบ่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้เพราะธรรมที่การแสดงนั้นเป็นธรรมที่ชดสุดร้อนๆไม่ได้ปรปยึดในตำลานั้นคำทีนี้มันเป็นภาพความจำซึ่งเราทั้งหลายก็ พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่าง ส, ดสุดๆร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจก็ยิมต่อธรรมของท่านเป็นลนดับลำดาไปนับตั้งแต่ เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณะภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจีดมีจางมีเคยมีคุ้นเคยอะไรนี้เป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชิงชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่อยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่สเมสเมอเสมอ เนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะคามคืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทรพื้นพื้นจนกระทั่งยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจ เป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมรับผลจริงจดังครั้งผู้จักการท่านปฏิบัติและท่านเดอรับผ่านมาแล้วปฏิบัติท้ายอย่างของพ่อแม่คูอจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนว ดังที่ท่านพาดมืนมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนัก นี้ในเวลานี้เพิ่งจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเละทลายหาหลักห า, ห า, หาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งทั้งที่อยู่กับ ครูวาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุตั้งผลแห่าการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้มาได้เลยอยั่งนี้ละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะถ้าเหลือถ้าไ ห, ห ล, อ, ล, ไห ล, อ, หลออกนอกรูนอกทางที่ครูวาจารย์พาดาเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้า เหมือนครั้งผู้ตักการคือเนศสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนาธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ทมพื้ น, พ, นพื้นจนกระทั่งถึงมติธรรม ไปจากสวาขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่น แม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธ ก, กาลก็ไม่มีอะไรผิดแตกกันในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันคือเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรง ความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมธรรมนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายได้รา ย, ายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดชื้นลงไปได้ ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรวิเศษจึงฝังอยู่ภาในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยและความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรม เมื่อยังไม่ยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นฆาตสิบ ต, ต่อจัตวโลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่ง ในจํานวนของจักรโลกทั้งหลายว่าถูกกี่ฤกษย์ย่ํายีผีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมามี่พบกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านพบชาติของเราเรียงรายดูพบดูชาติแต่ละพบและชาติของเราแล้วจะสรุสังเวชดีไม่ดีสลุปไปเลยก็ได้เพราะความเห็น ความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากเกึดเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เ็นเห็นเป็นๆอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงธรรมขั้นสูงจิตขั้นละเอียด สามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับๆและได้อย่างชาัดเจนชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แลเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้หงหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชาัดเจนหรือยอย่างประจักษ จนถึงกระว่าจะฉะลกไปนั่นแหละเรื่องโทษของเจดมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงทำขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของเจเดทเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกําลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืน ต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลาบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป่นไม่มานำมาคำหนึง่งให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยมย่ำหยีตีแหละกันลงจนกระทั่งบัากิเลสจะสิ้นชากไปเมื่ อ, อไหรขดได่ขณะใดเท่านั้นเึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียร เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้แล้วเราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาที่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทําทําลายหรือทรมานเราก็ต่างเพียงมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็น ที่เลืซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทําลายสัตว์โลกมามาม า, มากต่อมากและทําลายเรามานานแสนนานก็จักอยู่ภายในใจิตใจและก็เป็นกิเลือดประเภทเดียวซึ่งเป็นค่านับว่าเป็นค่าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของทิเลือดนี้ได้จักอยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่าทีที่เลือดนี้เป็นทเนทวุทธิวรามาจากที่ไหนสําหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติ ป, ปัญญา เพียงพอดิเกลียงไก่แล้วจะต้องเห็นทุกแน่ทุกมุมแห่งปียาอาการของจิเรศที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราเขาก็ว่าได้เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องขยมย่ำ ย, ยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอียาบทใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งจิเรศชิ้นทราบไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่หลงายได้ ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นยัยต่างเอาจริงเอาจังกันนี้แล้วก็นหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังด้เวลาเห็นเห็นดังนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธ เ, ทเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทําลายยุทธธรรมานสัตว์โลก เช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี้แหละจะเป็นข่าจิตต่อสารโลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี่เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเทียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นส่วงเป็นฐานให้มันทายลดอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเสียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นทีนเนื้อให้มันยำยตลอดเวลา อยู่ในหัวใจของเรานี้แล้วมาแต่การไหนไหนก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จยที่จะควรเห็นแลวปิดนัอยู่ระหว่างที่เด็กับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นที่เด็ตัวไหนที่จะเป็นฆ่าสิทและทรมานเราให้เกิดให้ตายไม่พบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำส่วนมากมากจะเป็น ความล่มจมเสียหายนั้นนมากเพราะกิเลสมันมีกําลังมากมันถุดมันล่าไปนั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทังนั้นรงจัตจิตของจัตที่มีวิญญาณคลองอยู่แล้วไม่มีสัตตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมายุ่ยแย่ก่อกวนหรือทําลาย ก็พราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจใปพบใดชาติใดก็กิเกก็ติดก็แน่ไปกับใจของเรานี่แหละเรื่องไทยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจ ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตอนเองต่อนตอนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนอยู่ผู้ดําเนินก็ก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันด้วยอาการต่างๆก็ดู ก, ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนําไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ในวัดนี้เทศก็มีเพราะฟังไล่ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทพที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประกฤบิธปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนีนะฮะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายใน จ, จิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหน เมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เล้วไหลไปหมดแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิเริ่มปุ่นอีกครั้งไม่สืบ ไ, ไม่ต่อกันนี่สังขารร่างกายก็นับวันเสื่อมลงเสื่อมลง อ่อนลงอ่อนลงตัวรู้ได้ชัดภายในตัวเอง่ภาระที่เคยนำแปนฝุงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงถึงกับในปัญสานี้ไม่ได้เทศเลยตนองมาตั้งป่า น, นี้สักก็สามเดือนกว่า ซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเรื่องทาาเรื่องขันนั่นเองนี่เราจะเราจะพึ่งอะไรนี่นาอมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี้มานานเท่าไหร่ทิงตรงนี้ไม่ได้ตกนะโลก ไม่ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ทำปนให้ตกนรกไปสวรรค์มิผ่านได้เพึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนทำเพราะกฎอนิจจังทุกขังนั้ตามมันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวัง นอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมให้เป็นพิหายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตนี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและภาษาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมา ดังจัดทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเหลวไปเหลวไปอายุพันสามารถเราอยากเข้าใจว่าจับเป็นหลักเกณฑ์ของหลักทำหลักวินัยของมรรคของผลได้นะความภาคเกณยนของเรา ซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตัเแจกตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุมเราให้ได้หลักได้เกณฑ์ น, นางพิธันสอนว่าสมาธินี้เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามันคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ได้ปรากฏอย่างไรบ้าง หรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทยัยที่ตันหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้ยังไงก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้กเกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุข เย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงปิน่นรถเครื่องสัมผัสที่จิดเคยทะเยอทยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้จนจนปรากฏเป็นทุกข์หาเ ว, เวลาเย็นใจไม่ได้เลย <c oughs> นี่มันก็ลืมอย่างนี้เทเดไม่เศร้ามันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้สิมันจะเทเไม่ได้ยังไง มีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สมายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันถุดมันลากให้ออกสะออกสแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นปายอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม่เจอก็เป็นพูนเป็นไปแว น, นเพราะเป็นธรรมอารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก่อนนำอันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจเนี่ยที่ว่าสมุทยัยสมุทยัยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบเป็นเป็นสมาธิแน่นหนาภายในใจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบาย ไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามประเกียบต่กายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้แล้วความเฉลียวฉลาดเพื่อเพื่อกําจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรดาด้วยอำนาจของปัญญานั่นมื่อกล้าจากสมาธิ เข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นข่าวิเลขั้นชำรกายเล็ที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลําดับลําดาบนั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกีย์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติ จนอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมรอมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายทายในอารมณ์ของใจหากเสก่อมสัสายอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นน้องเขาอย่างนั้นทีนี้พอหางจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเรา ที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุืีน้ำลมไฟนี้เท่านั้นเนีส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติสมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติเนี่ยทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความ จะเลียวฉลาดแหลมผมเข้าไปจิตก็ยังมีความผ่องใสาตากต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนตอนนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชดัดได้ชัดไปเรื่อแบบเป็นสมบัติติดกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่นี่เราถ น, ะนัดที่เพิ่งเห็นไดชัดอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเป็นยังไงทีนี้แล้วผ่านเลย กฎอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดการนี่เรียกว่าอาการิโกอนันตการหาการหาเวลาไม่ได้อาการิ่โกก็เหมือนกันตลอดไปเลยนะคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองสูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติ เรื่องของจิตเรศแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับิตเรพาให้เกิดทั้งจิเรศเอาอะไรมาเกิดเกิดไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดฟังเลยไม่เคยสูญแต่เกิดนแต่เป็นทุกข์แบบหามกล่องทุกข์เพราะี่บากกรรมที่ทําแช่กันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าพบชาติใด หากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วประกอบกักสายให้ไปพ บ, พบนั้นพบนี้สูงสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่มดอนดอนหาความสุขความสบายไม่ได้นันรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรม า, มายุ่งวกลนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งวกนหมด แม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านพูดถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่าหมื่นเปอร์เซ็นก็ก็คือหมื่นเปอร์เซ็นนั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นละท่านหลัดสันติคิกโกเห็นชัดชัดเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นพบเป็นชาติด้วยมาสูงสูงต่ำต่มาจนปัจจุบันและจะสืบต่อเป็นพบเป็นชาติในการต่อไปอีกพบใหม่อีก ก็จะตัดขาดตะบ้านออกจากใจจะจะหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่ามั ง, งเงื่อนต่อนั่นรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือกรับจะรู้ธรรมขาดตะบ้านไปตั้งแต่บัด น, นั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจะเป็นเงื่อนต่อต่อไปอีกนะัดขั้นว่าถธามาทก็เป็นอกุปปาธรรมอกุปปาจิตหาความกำเนิดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละามาอากุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นยังาศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดบักขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นาศาสน า, าที่ศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันถ้าผู้ปฏิบัติ ตามสาทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รั บ, บผลเป็นลับโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับครั้งพุรธกาศไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยผมนล้ววิตกวมีการยิ่งเท่ากต่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วกลับมาพิจารณาถึงเรื่องของจิตที่มันเหนียวแน่น แันฉลาดแหลมขมมีเหียดมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจอะมันก็มันก็เหมือนอนจะเป็นได้นี่น่ะทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเข้าไปปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสประเภ ท, ทต่างๆออกจากใจนี่คือสาคัญเพราะมันมันละเอียดเอามาก แหลมคมอม า, ากแต่ว่าฉลาดก็ฉลาดครอบกลายโลกราตัดเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยาก่เมื่อใดปฏิบัติมาเต็มที่กำลังความสามารถของตนแล้วทานมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรทานอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดทานมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเลื่อย แล้วมันมันก็เหมือนกับว่าตีกราวไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกรรษัตริย์วัตจักรวัตจิตที่ฉลาดแหลมคมามากถึงแม้ครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ทำไม่ได้เป็นผู้ขนาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องนุนวิญญาณให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแจ้สิ่งวันนี้ท่านสอนไม้หมดวิธีการแต่เวลาจะนําไปใช้อยนี่ส่วนมากมิตรกิเลสเอาไปใช้ใะฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสเลเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทําให้หนักในหัวใจเหมือนกัน คือผู้ที่ทำง่ายๆมันมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธการอันนี้มีเปรียบต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดำับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรื่อยมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดา นั่นแหละที่ว่าผู้ศึกรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมาย น, ะนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงจะไงก็ตามเราที่เดียดมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่ ก, ก, ก, กับกี่กันในรับความทุกข์ความยากความลำบากจะสลัดออกจากทิเดือดด้วยความเพียงของเราทำไมจะสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไ ม, ไม่ไหวนะ ยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิต ใ, ใจเสื่อมจากอัตต า, าธรรมเมื่อเสื่อมอัตต า, า, าธรรมมากเาย่างไรที่เร่ก็ยิ่งเสริมกําลังขึ้นพันตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมนี่ก็ใกล้คิดติดพันเข้ามานั่นนั่เต็มหัวใจเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายีในเรื่องของทีเร่ยินดีฤทธ ชมเธยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปเั้งหมดของที่เชื่อเว่าเป็นของดีของที่ต่ำาก็ว่าเป็นของสูงเนี่ยมันกลับกันไปเพราะเจตเมตต์มันเป็นตัวพาให้กลับหย้อนลูกสอนของธรรมเราก็ยิ่งเคยจงกัน ม, มาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายๆนี่อีกอันทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนหูเพื่อน พราะในเคยทํามาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆเรื่องหลับนิสัยวัสนาของเราแต่ว่าอยากก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าปเป็นความเคสก็เคสในเรื่องความเพี่ยนประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลาดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอะไรมาเคสเนี่ยเล้วยกัความเพียนแบบนั้นเป็นความเพลียนฉันหายกิเลสจริ ง, รงๆไม่ใช่ความเพียนเป็นโมฆะ หนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรคภาปฏิปทาของผู้ดีเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิรมาฐานนิยมทำความลำบากจตกตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรคภาปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ก็ทุกเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ทุกเพื่อให้จเจดียดย่ำยีตีเลย น, นั่นที่จังหว่าจะว่าเข็ดมันก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจ เรื่องความลำบากนี่ถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในก็ในขั้นโลกโลกองสารธรรมดาเราเนี้ยอันนี้ยากมากแล้ยากมากาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารเจือเล็กประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผลโจรทยานที่สุด ไม่นั้นก็ไม่ทันกับสิเดตประเพณนี้คือ ร, ราคะปัญหาเป็นสําคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพ <c oughs> ราะฉะนั้นพระอนาคาท่านพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิด อ, อีกอันนี้เป็นตัวสําคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้น คนใช้กําลังบางช้ายอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นอืปัญญาที่จะแก้ทีเด็ดประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนจนทยานเต็มที่เหมือนกัน้ น, นเมื่อผาณอ น, นี้ไปได้แล้วมันก็เบาอยู่ประมับเครื่องอะไรเขาเรียกเจลวดหรือละขึ้นอวกาศมันมีเครื่องดึงดูดมันก็เบา จิตใจที่ออกจากเครื่องดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เป็นอนัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แต่เต็มที่แล้วนี่จะจะสุกโดยท่าเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นนี่แตจะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แต่ไปแก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรืไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุก พอแต่แล้วควรแจ่การสุขก็ต้องสุขเงียบจิตของท่านผู้เป็นท่านาคามนี้ผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นเอาที่สุดก็คืออันนี้แม้จงอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นเอามากโลกที่ที่วุ่นมากเราก็ดูเอาี่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิดิเตียนโลก เมืม่ออะไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นแหละมันนีกว่าหาค่าตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุ ด, ดร้อนๆทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเตนไม่ไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอนันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเพิีนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้นี่ไปแล้วมันก็เบาเบาหิว เครื่องหนึงดูที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสั้งขาดอันนั้งนะ่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแก่ของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกด้วยสายเดียวแต่ไปแก่ไ ป, ไปมีกิจอันนี้กับมันกั น, นทกิเลกประเภทไหนก็ไม่มีึ่งกิเลสตัวผ่าดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะ ธรรมนักญิเดชประเภทที่นอกเหนือไปจากประเภทแก้ราคาตันหานี้แล้วเองไม่ใช่ป็นญาจิตปัญญาที่ผาผโดโผนจนทะยานหากเป็นเองใน่าจะของหวารู้เองเป็นเฉิี่ยปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำสึมที่ไหลลินไปตลอดดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามประเภทของญิเดชนั่นเองพ่อญาิเดชประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้นี่แล้วเป็นเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพิจิตริษัท ของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั่นแหละเละละเอียดไปเรื่อยฐานะมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่จอจิตของท่านอย่างนั้นหาเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองมีเป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ําซับน้ําสึงเรื่อยไปทีนี้ ที่เที่ยวคําว่าเป็นพระนาคามีนี้กัตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระนาคามีนียังต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปละเอียดต่อไปทันนาคามีแล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดขั้นต่ําขึ้นไปเรื่อยจนอวิหาแล้วก็อตาปาระก็สุตัสาสาสุตัสสีหากได้ก็ไปอย่างนั้นอรกนิฐานะยะจิตก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตัวเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ตามความละเอียดของจิตและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหะมันไม่สนิทในใจทุกอย่างว่าปัญญาปัญญาน่ะเพราะปัญญานี่ยังยันรู้สึกในความรู้สึกของเราว่ายังมีหยาบอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมียับมีหยับมีหยบคิดยับปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความยับยบยับปรุงและ อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบทั้ตัวไปซึมล ง, งไปซึมไปตามชะตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรนะตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆเลยเแล้วว่าตามฟาตามฝันเนื้อก็อชะล้างละเอียดกว่าและสมกันกับยืดเดยืดประเภทศนั่นแะ่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่ออะไเป็นเข้าไปในใจนั่นก็รู้เองอย่างนี้ นี่แรละที่นี่จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ขั้นมาบรรลุอรหัตธรรมน่นหมดเลยนีเรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วท่านพิงถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนนาคามนีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรจากคาว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปด้ว่อยเลย เป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงินก็นี่แหละตัวเพท่อนในภาความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่เป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วขึนั้น เรื่อง น, นี้มันมันอ่อนลงไปอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแสกต่าสามารถขึ้นไปดูระดับระดับนึบ่งก็ต้องทําให้อดให้ทนแตนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่ออดอ า, อาหารเนี่ยก็อดพ้า อ, อะไรอดลงไปเท่าไรยิ่งละเอียดสติปัญญา ย, ยิ่งรวดเร็วเนี่ยมันมันควรอดมันก็อดอีกแหละว่าใครอยากนอนอย่างนี้เฉยใครอยากช้า นี่ถ้อยากรวดเดียวให้ทันใจนะก็เร่งเขาไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยเนการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีงงมผม อ, อ, อ, ยอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกไลยแต่พ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ที่ ผู้ปฏิบัติตั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเราๆมีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางแห่งที่เหียดพอๆกันอย่างนี้มัมกจะเรื่องสิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเดียวไม่จําเป็นกับสิ่งทรมารอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้น่นแต่นี้่มืนจะเป็นประเภทอ น, นั้นประเภทถูถ่ายเต็มแม่เต็มหน่วยหรือเต็มเหนียวมันถึงจะเป็นไปได้ นี่ละที่ได้ได้สิ่งเหล่านี้มาทราามานช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกอยางลบาขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกในเพราะเรื่องของเหตมันยิ่งมากกว่านั้นอีกา ม, มาเทียบกันนะมันก็ต้องทนต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักหนักก็น่ า, นา วิเวมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักๆทั้งนั้นมันไม่ได้เอ า, าเบาๆเลยก็ทำมันพูดถึงเรื่งปัญญาความเพียรกับวิเวทประเภทยากละเอียดเข้าไปและจิตปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกอนกับวิเวทด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองนั่นจริงๆว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้น ภาพความจําเราก็จํามาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จําเราก็จําเมื่วราจะปฏิบัติอยู่ไม่รู้พอเป็นภาพความจริงแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชือ้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปไหม้ไ ป, ไไปเรื่ อ, อยก็จี่ปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวเป็นตัวของตัวขึ้นมาได้ก็เป็นอย่างนั้นอจึงว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรต่อพิเดียร์แล้วพูดได้ เห็นอย่างว่ามาัชจิมาปฏิบัติมมัจจิม า, มายัางไงเรียกมัจจิมามันก็รู้เองข้ามยาก็ต้องเป็นมัจจิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นตั้งข า, าดผลเนี่ยเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัจจิมามัจจิมาพอเหมาะสมกับการแจ้งเกิดเป็นประเภทประเพศไปเดิมอยๆนั่นท่านบอกมัจจิมามัชจิม า, ม า, มานี่เมื่อขึ้นต่อกามกับเกิด ด้วยความเพียรทุกตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับคนอื่แล้วทําไมจะพูดไม่ได้นี่มันจาขันตรงนี้อาจจะเพียงแต่ความจำหมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้จะมีใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องวิ่งหาครูหาอาจารย์ที่ท่านมีความจริญเจรินานในทางนี้มาแล้วนั่นสินี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ ถ้าความจําเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตํำรับตาลาเป็นแนวทางแล้วก็ก้าเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าเดินไปเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหะที่นี่เป็นสมบัติของเราของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองีสงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆายในจิตใจเป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้ชัดเป็นสมบัติของเราโดย ไม่สงสัยไม่สงสัยจกนกระทั่งมีมุดบุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้บุดพ้นก็เราเองผู้บุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ประจักษ์ไปในตัวเองนี่พูดถเรื่องความสงสารอยู่บ้านผู้สงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสที่เห็นจริงจิไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆ เ, เ, เฉยๆเวลาฟาดกันกับฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญา ที่เป็นฝ่ายทำก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านที่ว่าเห็นจนขณะที่ว่ายับยั้งความเพียนไม่ไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดนั่นก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันนีมน่มันก็เด็ดแต่สิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจ่คนเด็ดได้ดูมาได้คนเราคนเราวิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปความ แปลงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหวี่ยมถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วจึงจะอยู่ยอมตายเนี่ยเมื่อมันพอไปได้เนี่ต้องไปพอคานไม่คานคนเราเนะี่ยนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของชีวิตอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้อยู่ในพ้นไปเต็มหัวใจเชเดียวกันนะต้องสุดเหวี่ยงเลยแปลงได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่แหละถ้าเป็นความเพียนกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพี่ยนธรรมาราม ผู้ไม่ถูกว่าเช่นนย่างประกอบความเพียรความพยายามไม่ไม่ด้มีความพยายามนี่แต่ความ เ, เพียรกล้ากล้ากล้าไม่ถอยไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้น่ะเนีว่ว่าความเพียรกล้ากล้าขั้นนั้นแหละเนี่ยจิตเป็น ต, ต, ตอนตอนเป็นขั้นขั้นอย่างนี้ขั้นที่ชนมุนวุ่นวายขั้นที่หนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารชีวิตัวที่มันเป็น เครื่องดึงดูดอําน้ำขันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยมันดูดโดยจริงๆก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กําลังความเพียรทุกด้านต้องหนักสติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอรชุภาอรุพังเจริญจนมาะทา่งที่มองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดอันเจริญจนกระเห็นมองเห็นคนเห็นตะกั่ดูพอมองเห็นเราเห็นแตะกั่ดูมองเห็นใครก็เป็นตะกั่ดูไปหมดเลย เมื่องเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อดแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นนึกก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเทียบกันได้ทันทีดังในอตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบําเพ็ญสมณะธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาน่ะเมื่ผ่านจะหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านไปนี่ไหม <บ> <PTSD> ท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่ก็เห็นเแต่กระดูกหนังมีแต่กรอบกระดูกไปทั้งหมดก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังก็เห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนีิชานาญติดใจมองเวลาอรก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนะมีพยู่ภายในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั่นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกประมาณนี้ละ อย่างท่ามหาท่าก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเด็นอันนี้มีอย่างนี้แหละมีเราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นเเราเองมันทํานาน ท, ทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีมีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภาษิตแรกมันก็เห็นเนื้อะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัว หนังไม่มีทั้งๆกินหนังก็พุ่มอยู่นั้นแหละมันไม่เห็นมันไม่ดูมันไม่ทันนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกอางนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโลบไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในขั้นพุทธการท่านว่ามันก็เป็นเรื่องกระดูกกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศสัทธาดว่างไปหมดเี่ย จิตนเป็นขั้นๆ calculated. อย่างนั้นนะการปฏิบัตถ้ามันอยู่ในขั้นอ an, อสุภาอสุังนี้ก็กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็กล้าก็ถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองยืนะไรมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ไงหัวใจหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดนี่มันเป็นอย่างนั้น ว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเองคือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในดิสรัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆมันยังไม่ว่างน่นความสว่างของใจนี่พาให้ว่างไปหมดมองอะไรน้อก็ว่างทีนี้พอย้อนกข้าไปสู่ภายในอวิชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วน่ะว่างด้วยวางด้วยนทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือแล้วมันก็เป็นอิสระภาพนังนี่ มันขั้นเป็นขั้นการพิจารณาทางด้านคิดตัดพนาเป็นอย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรหัวใจเจ้าของเลยนั่นจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็มันก็รู้มันเป็นไม่รู้เรื่องไหนก็มันเป็นี่เห็นอยู่ชัดชัดมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายนี่ยก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดชมันเรามองทะลุมาเลยพอจิตมันมัน้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมด สว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามาัน ท, ที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทําไมวสว่างก็นักหนาจนเป็นเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นม า, าเตือนเจ้าของอ๋อไม่รู้เนี่ยเราแก้ให้เป็นเรายึดออกเป็นขตติไม่ได้ถ้ามีจุดนี่ต่อมันผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบแน่ท่านบอกชัดจริงๆนะธรรมที่ท่านผุดขึ้นมานี้บอกชัดนั่นแหละจุดมัอนอะต่อมเลยต่อมเป็นความสว่างนั่น สุดแหงความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นนะ่ะตาพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โอ้ท่านจะใส่ผางเดียวก็นั่นนะพอทาท่านั้นมันก็ผางเลยละรู้ทันทีอย่างนี้มันไม่มีใครบอกเท่านก็ล่วงไปในใหม่ก็ด้วยนะแต่ น, นั้นในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาของมันก็แก้ไม่ตกจนกระทั่งมันถ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความส ว่าจุดมีต่อ ม, มันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันถ่ายไปแล้วทั้งนู้นแล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่า<อ>นี่จุดจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเองมีต่อมก็ต่อมก็จุดก็อันเดียวกันเลยคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งรู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวคภพเราบอกชัดนั่นแหะตัวภพก็คืออวิชชาอะไรอ่านั่นแหะอวิชชาเป็นอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับอย่างนี้รพอพิจารณาไปพิจาามามันหลายขั้นหง มันไม่มีพิปายเนี่ยก็เกีมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีอันนี้พ้าให้ดูดื่มชืนนซาบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟาดกมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งทั้งพิจารณาแล้สุดท้ายมันก็ทนมาได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนตมนะป็นสติปัญญาถึงหลงก็หลงหลงก็จิงแต่ความคิดความคิดพิจารณามันไม่ถอยนันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายเลย ถึงนี้มาเห็นโทษอ๋อว่าจุดจุดไหนอ๋อจะนี้อย่างนี้มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยางนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดพราว่ามันก็ว่างไปทั้งหมดทั้งหัวใจทั้งของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมัีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นตําอยู่เลยว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดเลยอ๋อองนี้เองที่ปัญหาบอกนานๆนั่น เรามาว่าแดนสมุทรทังลงไปแล้วนะเป็นใครมันก็รู้หมดอนะ่ะทําอันนี้ก็เป็นทําสุดๆร้อนๆให้ลูกไปสิทำไมจะไม่กล่าวพระพุทธเจ้าใครเปนคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้สดๆร้อนๆนี่นะเพราะ น, น, นั่นะจึงว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สําคัญความจริงไม่ไมีการสถานที่เว ล, ลาเวลาอกาลิโกความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุธทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานครับหัวใจพระพุทเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันน่ะเัื่ก็รู้ได้อย่างชัดเจนอยู่ แล้วทําไงพวกเราพูดปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยๆหาผู้ยึดของอัดของทาสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวุตุพ้นโดยการปฏิบัติมาหาไม่เจอจะทำไงทั้งๆที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหาจะไงกั น, นว่าพิจารณาดีมันน่าคิดมากนะนก็เดี๋ยพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดี๋พูดให้หมดกันทัง มันจะลืมได้ยังความเพียนเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียนของเรากับวิเลตที่ฟัดกันเนี่ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนมาชั้งถึงถึงทิวานี้มันมีเวลาว่างเมืไห่ถ้าเป็นน้ำมวยก็มันมีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นแหละัางที่จิตมันถอยเมาไหร่มันจะทุกขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่สิสําคัญที่น่าชมนะอันนี้ช ม, มจริงเราก็ชม ใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าจเจริญแล้วเสื่อมเจริจจรแล้วเสื่อมโอ้ยจนกระทั่งเข็ดเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดติดเสื่อมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเสร็จเลยนะไม่มีอะไรเหลือมันไม่ถอยนั่นเองเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นจุดท่านก็เอา้าไม่กังวลกับอะไรจ้าจะพูดโทอย่างเดียวเสร็จเสื่อมไปไม่ใชด้ไมนเคยเสื่อมมาพอแล้ว อยากให้มันดีู่สักทมันก็ไม่อยู่เอาที่นี้เอาจากเครมเฉื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พูทโท้พูดโทแต่พูดโทนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพูดโธความรู้เป็นอันเดียวกันฮที่นี้จะบริกรรมยังไงก็พูดโทก็คําว่าพูดโธก็ไม่ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรูที่เด่นเด่นถึงเป็นขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเขาจริงๆเนี่ยพูดโธก็คาบริกรรมเป็อันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นไม่ทำไงที่นี่คําบริกรรมหายไปแล้วนี่จนกรทั่งที่เราบริกรรมเนี่ยบริกรรมไม่ได้เลยหมด เป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นหยุดซะก่อนตะจรอยู่นั่นนะอะกับครูพอได้โอกาสมันทั้งมีจังหวะของมันเพราะออกจากนั้นปั๊บเราลืมพูทโธได้เอาพุถโธอัดสรายปั๊บเลยนั่นเอาเท่านั้นุท้ายมันก็จะเริ่มขี้ข่าวนี้มาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสือ่อมอ้าวเสื่อมไปพุโธไม่ต่อยอยู่ท้ายเหนือไม่สูไม่เสื่อมเรื่อยเลื่อยเลื่อ ย, อยนั่นแหละจึงรู้ลนชาติว่าอ๋อที่มันเสือ่อมเพราะเรา ควค า, าดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างเป็นอยงนี้ลืมปัจจุบันนธธรรมนี่เสียแล้วมันก็จะเรจรยไม่ได้ต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันนธธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าขมับมพุโทโธพุโทโธนั่นอะไรนั่นก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับแต่อ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยบดีมันถ้าพูดถึงหนึ่งเกลื่อนแฉนแฉนถึงใจจริงๆ น, นะตรงนี้ ตนเราได้เสียอกเสียใจจงกระทั่งน้ำตาล่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้ชัตติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้เวลาจิดเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นปืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับก้นใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคําว่าเสียดายอ้าวใครจะอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหลมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยเลย มันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยไม่ถอยถ้าถ้าถ้ามีถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงไปไม่ได้นะนี่ก็ได้พูดให้หมูเพื่อนฟังนี่เป็นแม็กเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นม็กเอ้างั้นเลยมันไม่ได้ลืมมีน้ําตาล่วงเพราะพี่เล็กข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยสู้ไปไม่ได้นี่เอาชนาว่ากูจะต้องเอามึงจนได้ล ง, งถึงกูทั้งมึงนะ <c oughs> ก็รับสืดกับเราคนเดียว มันเป็นอยู่ในหัวใจแล้วเอาไต้หนากูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้ไรหนานูกนะมันเทียนมันแช้นกันที่นี้พอได้แล้วมันเอากัจริงๆริ่นี่ไปเถอะปเถอะไม่งั้นยก้นจะเลอะหรืก้นพองแล้วเป็นแตกเลอะไปหมดนั่งพอน่าโอ้ยเป็นก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามข้าไม่หรือมีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเทียนแช้นเมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติบัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่ มันก็เห็นความมัศจัรยขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดรุ่งแต่รุ่งมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปแตาวันไหนเราเอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนเยมันหนักเอากันอย่างหนักเกี่ยวนี่เป็นมารเนี่ยผังเอานะความเครียดชค้อย่างนี้เป็นมารเครียดแค้น แบบยิ่งเดชมันก็เป็นยิ่งเดชอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นยิ่งเดชเครียดให้ยิ่งเดชที่ฝังในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกําลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นนะมันเห็นประชันยังไงกันความเครียดแท้ไม่มีหนักเท่าไรในความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดถึงไปเป็นก็เป็นตากระตาฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นมาจากที่ว่าได้อาจรย์ก็ได้อาจารย์เพราะอันเนี้ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นนั่นเห็นอย่างนี้น เอาแล้วนะเห็นนะเลือกกันแล้วนะพนแหละให้ยี่เด็ดที่ฝังที่ในหัวใจของเราเนี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกําลังมากเท่าไหรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่น้มันเห็นจะชัดยังางดิความเพียรช้าไม่มีหนักเท่าไรด้ยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดงไปเป็นก็เป็มตายก็ตายฟาดอย่างนี้ที่นี้มันก็เห็นมาจากที่ว่าได้อาจารย์ก็ได้รรอาจารย์เพราะอะเนี้ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเมันเห็นอยู่างนั้นจะไม่เขาเรียกว่ามากเลยไง นี่ถ้าเราขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันไวก่อนเราไม่รู้นะเพียงเรียนมาจํำมาไม่ว่าท่านว่าเหล่าเหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าอล่านั้นพอก้ากุศลเวทีรังพราปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของทั้งผัดทั้งพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองนี่มันชัดตัดสินอย่นี้ก็พูดได้ทําไมพูดไม่ได้มันเป็นได้ในหัวใจนี่ทําไมไมันพูดไม่ได้วะ จะเอามัเปิดโลกทธานุในหัวใจสิเพรหัวใจนี้อัศจริงจริงนะอยากให้รู้ให้เห็นที่นี่สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาพ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพรากำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นอืเขาไม่ใช่มาพูดเฉยๆอเอาตัวจริงออกมาพูดแะแทนทั้งเหตุทั้งผลเป็นยังไงมาวะบ้างนั่นเอานั่นเอาพูดไม่จะเป็นไรก็สอนทำเพื่อความจริงไม่เป็นอะไร ไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเลยเหรือให้ตะกีเดชมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมก็พูดไม่ได้อืความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ต่กีเดชมาเยี่ยบปากทั้งหมดได้เหรือมันเคยเยียบปากเรไหมว่าอะไรนกิเลสเราเยียบปากกิเลสบังสิทธิ์กิเลสมันพูดไม่ออกเลยทีนี้น้นเอาอย่างนั้นทีนี้เราเยียบปากกิเลยมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วเนี่ยกุศลาไปว่าอะไรกุศลสมาไปว่าความชลาด ทำอย่งบคุคคให้ฉลาดก็ฉันปัญสติปัญญามีฟ้ากิเลสจนแหล่กไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลาสมาธิเฉลกส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลเอาโดยความฉลาดของมันนี่ทุเลต้องหนาห น, า น, านี่ที่าศาสนาเนี่ยนะหม่ทรงมกักทรงผลเป็นาศาสนาที่ทรงมกักทรงผลแต่แท้าศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่นะ่ะมันน่าบื่หน้าบืนนะพวกเรานะ มมเราไม่ได้สอนทำด้วยความโมโเขาไม่ได้สอนทำด้วยทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะ่ะสอนทำด้วยความชื่นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกน้องงูปลาปลาอยู่ ท, ทําไงท่านว่าอย่าหนึ่งมันไปอย่างหนึง่งท่านว่างให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่นึ่แล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาบนี่สิอันนี้อันที่น่าทุเล่นนี่ขั้นนี้แหละลําบากมากนะเมื่อมัน ย, ยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็เขม ถ้าลงขั้นมันเขาไ เ, าเข็ยมยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆนี่ผงนเลยนั่นเป็นขั้นหนึงขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากคิดว่ต้องหนักสิหรืเบามันได้ยังไงวันนี้ก็เท่นอย่างนั้นแล้วเท่นเหมือนไม่เทนะ่ะเพราะ ถ, ถ้าผันมม่ได้อำนวยผมฝืนมาเท่อย่ายๆนั่นนี่เพราะไม่ได้เทนนานนะพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะ่ะมันนั่นเห็นไหมผิดไหมล่ะที่ว่าต่อไปนี้มันจะเทมันได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้หเห็นม่้ มันเป็นไปตามลํา ด, ด, ด, ด, ดับตำรามาได้มันเป็นในขันนี่ต่อไปกน็นั่งดูยื่เฉยไปเทนมาขนาดไหนมันก็เทไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อํานวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพอเทนไม่สะดวกนะเทนภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำํบตำราตํารา ก็ยังได้ยินเคยได้ยินมาแล้วหนอยไดฟังมาแล้วอย่างไรอะไรจะอัศรจรรย์ยิ่งกว่าจิตบุกพ้นวะอืงคุณเ จ, จ้าเลือดก็เลือดพราะนี้เองภาษาวงเลือดเลือเพร่อนี่ไม่มีอะไรมาเสร็มาสันนะเพราะไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยสําสคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยนะสามเดนโลกธานุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะ นี่ไม่พูดตรนี้แหละมันอ่อนลงอ่อนลงนะผมมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงอ่อนลงอีกท่าไม่เท่มไม่ได้หมดกําลังแล้วพูดแต่ละบทระหว่านมันมันเหมือนกับยกยกสูงยกสูงนี่เป็นงั้นนะ่ะถ้าลงกําลังมันหมดแล้วเปมนงั น, เ, น, นเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักเอาเหลือเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะผึงผึงมันอย่างนี้โอ้ไม่นานแล มันถึงใจจริงๆในเรื่องเรื่องความจริงหรืหลาที่พระพุเจ้าทรงสอนไว้น่ะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแหละแต่ว่าถึงใจผมจริงๆเรื่องเกิดเรืองตายนี่แมมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่และตัวละตัวลหลายๆนะนี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูนอีกทั้าๆที่เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างไรถอยมาให้กิเลสหลอกได้นี่แหมโง่ขนาดไหนมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะทันแั้วกไม่ว่าล่ะ ฆ่ามนุษย์แล้วยังไงอีกมานับถือคุณศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยาจะพูดออกว่าแบมันเห็นไหมไม่เห็นปิดตาดิจะวางสมาห์มาพูดถสนุกๆเรานะมันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูเกิดตู้ตายแล้วทําไมจะให้จีนเนียมาหลอกได้ว่าตาแล้วสูญเชื่อมันไปายางโอ้ยบัตรโชคบางมันดถอะเราจะพูดถึบัตรโชคมันโง่เกินไป เวลาเิดมันออกแล้วโถงไงโถกโถกโถงเนี่ยกระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับหนึงสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้มือว่านับได้ไปตลาดเท่หนึ่งสองสามสาหกเจ็ดเรื่อยไปก็ต้องทั้งวันตายมันก็ไม่ไม่หมดในพวกฌานของเจ้าของคนเดียวนั่นน่ะเออเมว่าตายแล้วสูนอีกเนี่ยโถอ่ะเวลามันเปิดมันมันปิดได้ยังไงมันเปิดเหรมันเปิดย่างไงบอกที่ว่าวันเปิดมันก็บอกว่ามันเปิดสินี่ว่าไง แต่รู้ไม่อยากจะอาดเอื้อมไม่ัง้งมาว่ามันเปิดแล้วพอพอว่าได้อยู่แต่บามันรู้เราก็ไม่อยากอาดอาดเอื้อมนะบาจทีเนี่ยว่ากาปูไดยากสนิทเลยว่าโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกาบนั้นหัวใจอันนั้นล้วยังกล้าอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกวานในที่ว่าโล ก, กวีทู ร, รู้แจ่งโลกโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกวีทูนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิผู้เจ้าถึงไม่ เราตัวถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมืนอนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้เนี่ยเต็มภูมิของภาษาวกนะผู้รู้รู้เงั้นกินว่างใครจะมาเปิดได้เนี่ยไม่ใช่พระเจ้ามาเปิดไม่ได้โลกอันเนี้ยโลกมืดเปิดพิษแต่ด้านเนี้ยต้องพระเจ้าเป็นอพระองค์แรกมาเปิดก่อนสาวโลกทั้งหลายต้องจะรู้ต้องจะช่วยกันเปิดเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนาโลกสวรรค์อะไร ีโอเวจ้าต้องมาเปิดเจ้า ก, ก่อนทำประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพกากครูวิเจ้า่ไม่มีใครเห็นได้เลยต้องครูวิเจ้าเท่านั้นเห็นรู้แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิ ธ, ธีการให้รู้อ่อาวอย่างนั้นนั้นสาวกหลกายค้เต็มภูมิสาวากาวถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของเหมือนสัจจะล า, ตา็ต่งตางเต็มภูมิเหมือนผู้เทอสายพรต่างก็เต็มภูมิสาวกนีงว่าไงแต่การประกาศอันนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกโอ่งหนา ม, ม, ม, มันก็มีเป็นละลา ย, ลายแต่ยังไงก็ยันได้เลย <c oughs> ว่าี่เลยที่เนีเย่ยยันได้เลยส า, า, า, า, า, า, าวกต้อาางนีนะเนี้ยด้วยอย่างนี้นะว่ า, า, า, านะงั้นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจอน่อาจารย์พระพ้ีวะอาจรย์อาจารย์จริงในหัวใจนไม่ใช่อาจารย์มาเสกเฉยๆนะโถโถว่างั้นเลยนะว่าทีเรียนนี่แม่ปิดขนาดนี้นะ หลอกให้โรกให้โปวดให้หลงให้รักให้ชังยังมาแล้วตายมาซะแล้วยังปิดเกิดตา ก, กิดตาแล้วมันปิดทางปิดทางปิดได้หมดหม ด, หมดไม่รู้อีกนะ่ะโ้อท้ออีกที่นี่นมันมาหลายชั้นนะกี่เหนียญเหอะว่วะไม่รับเปิดคนนี้เปิดความบิดบีงไปแล้วมันจะไม่ให้ด้วยยางไงก็ของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่แน่ มันเป็นยังว่าถูกปิดไว้ัอนนั้นอย่าพอเปิดแล้วเรเห็นมาสิของมันมีอยู่หนะ่งถึงเวลาที่มันจะเป็นจะไปของมันมันค่อยเบยิกค่อยกว้างมันไปเรื่อยๆเลยเป็นของนเนบิกออกไปกว้างไปกว้างไปเรื่อยๆไม่ใช่่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกข า, ท, า ท, ท, ท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรดุธรรมทีเดียวตอนั้นไม่ต้องซ้ําเช่นตรัสรูธ้ธรรมหนเดียวเท่านั้น ไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเลียบไปเลยตรงทังวันนี้ผ่านไม่ต้องามาซ้ําีแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไรก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมาะฉะนั้สายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นมค่นั้นแล้วจะส่งประทันลุกไปนั้ไมันก็ไปเห็นประทันนั้นถ้าไม่ส่งก็ไม่มันไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งเหล่านี้นเป็นสมมุติสิที่เห็นนี่กินยาเห็น ยานหรือความรู้ต่างๆที่ที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมติอนันต์เนี่ยมันมันอาศัยกิตตะวิมุติอยู่นั่นอาการแล่านี้จึงเป็นสมมติต่อสม ม, มติ ม, ม, มตันจึงคัับกันได้รับกันได้พอแม่อุจารันมาแม่อย่าไปแต่พระละหนนันนั่นมานิพพานในท่านดูท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่จริงมันสองชั้นสามชั้นนะ ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าเราโง่เลยม่ีในกำปีไมนจะมากอดอยู่ในกําปีที่เห็นมัดคออย่นั้นมเห็นมีในกําปีมยังมัดไม่ทำมาที่เห็นมัดคออย่างนั้นไม่ไม่มีในกําปีมันมีในกำปีไหมเนี่ยมันมัดคออยู่เนี่ยกำปีมาไม่เห็นมีมันไม่เห็นบอกในกําปีแต่มันมัดอยู่งั้นนี่ลราถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บแคนเนี่ย โอ้ถึงใจจริงนะผมสมาเรื่องความเจ็บแค้ขอ ง, ข ง, ของให้กิเลสเนี่ยแม่ว่างั้นเลยว่าดึงกลาพูดว่าสมมติเรากําลังนั่งฉันยังหันมึงกาลังนั่งฉันยังหนมึงเขาว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนตอนนั้นแหะทิ้งบาทเลยตุ่มเลยม่ต้าเราตายแล้วแล้วสู่แล้วแล้ึงกลับมาฉันยังหันใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นหระรอไม่ได้หรอมันเกลียดมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะ เราผูกกันเาพูดโอกคี่เดือนก็เป็นนาํามธรําเมื่อไปเก็ีไปแก้หนามันอะไรแต่ลราพูดเป็นข้เปรียบเที่ยวเข้าไปเพื่อให้มีน้ําหนักสำหรับหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมา ย, ยามันเป็นยังนงเพราะมันเป็นอยู่หลายเที่ยวเวลามันเวลามันสงบถึงที่มากมันกินมามันนึกถึงพ่อแม่พูดจาเราผมร้มองไห้เลย มันมันคิดว่าผมกำลังเข้าไฟแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ดินคงอมามันมันมันเป็นไปอย่างนั้นอืมแอมันขึ้นนั้นนะแล้วไปเอาพูดออกมาหน่อยไอนี่ผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านันมันทึงใจจริงผมก็ผมไม่ประมาคูบาจาดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็ควนั้นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายใน แดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้โค้ได้ผ่านมาก็อยูไม่ได้โค้ได้ผ่านก็เป็นอย่างี้มันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพรามยำใจมั่นอันนี้ถึงจริงๆโถก็โถงนั้นนะเวลายิ่งเวลาไปเจออะไรเข้าไปพี่น่าเจออะไรบางบางอย่างมันฟัดมันมันไปรับกับของท่านอยู่ท่านรู้ท่นรูอย่างนี้เลยไม่เพียงกับเพียงขั้นของทำขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะ ท่าในอื่นไปเปลี่ต่างไป็เหมือนกันมันก็ไปรับกันรับกันไปสัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใจกันกัพท่ามทนรู้กันเห็นกันอะไรสมันก็ยอมแล้วอีกละอันนี้พอดีมันหลายตอนผมก็เก่งอย่างนั้นเหมือนกันเวลามันอะไรมันมันึงในเทปเราก็ไม่ได้ปรึกษามันมันซึ้งมันจะรับกันมันนัอาจารย์ครับเวลาเวลาจิตมันจะรวมอย่เติร์กงมันจะก่้เวลามัน รวมเข้ามาหมดมันเลยเดดเดียวแต่มันค้างมันไม่ดับหมดเลยมันยังมีค้างอยู่คดับมันจะบรูลุหรือเห็นมันดับเมื่อไรมันถ้ามันดับจะว่าจะว่าผู้รู้เหรือผู้รู้นี่ไม่เคยดับเดียวกันว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุดผมเข้าใจว่ามัน ะมันมันกกระดามันแต่สิเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับไรจิตนะมันลอยอย่างนั้นนะลอยลอยพีค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไหมล่ะภาวนาเป็นไงปรากฏว่าค่อยดีขึ้นเรื่อยไหมเออดังงั้นชี่จิตเราท่านราได้ลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยไม่ถอยประคับประคองเรื่อยแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็จเจริญ เดีย่ยจิตผมของผู้ต่งวัฒนมจริงๆเพราะว่ามีผ่าผลอยูน่นะมันเป็นไหลายด้านด้านหลายคทางนะมันแล้ที่นี้รนลามันก็มีอยู่แล้วแล้วเขาจะาจะดาไงแม้แต่จดีนิสัยใครจะเป็นไปยังไงนั้นเป็นตาจดินิสัยเนี่นั่นก็บอกไว้แล้วในลามจะเป็นั้องมันเป็นปแปลกๆต่างๆจนะิตผม แต่ก็ดีอย่างหนึ่งทีงนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนําำสอนนี่มันเป็นเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดนะช่วยรูปแากต่างๆนั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงเมื่อไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศใช่ไหเ้เหรอมันก็ต้องมีผ่านมันถึงจะเทศได้บาอย่างมันไม่บอกว่าผ่านไม่บอกว่ า, วารู้ทั้งนัง้น คนบอกอะไรนั er ้นไม่ใช so ่เร so ื่องความจริงมีก็ฟังล้วสดมาบอกอะไว่านีผมรู้นีผมเห็บ้าอยู่วางอะไรเนาะมีผูมีใครกระทำมาบอกผมว่าผมรู้โหอย่างนี้ผมไม่ต้องฟังเลยซ้ำนะมีเสายผมเดือนนั้นเพราะวลาผมปู่เมก็ไม่พูดอะไรจเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีกันว่าตามความจริงมีมันก็รู้มันก็เข้าใจคนเรานั้นลงใจกันง่ายง่าันใจผมเป็นมากแบบเปไปหยวื้ บ้าเผาหนุ่มอุยแม่สำเร็จแล้วขายทั้งตัพาด้วยด้วยแล้วก็ว่ามันยังไงวะก็ต้องเหลวอแต่ถงต้องตั้งกับวิชาไปตงกุญแกรรมสาองค์สองอค์เราท่านไปคุยกันทาไมเบื่นั่นต้องสำเร็จแน้วก็เผาหนก่อุ๋ยมันยังไงกันวางเงินนักหนี่งไม่ได้ ผมจะมาอ้างเหตุผลว่าเปลาหมู่ควันมาแล้วกันก็ปล่อหมูกควันเศ้ากรตามันก็ไม่มีไม่ไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะรบล้างได้เห็นความเื่อความเชื่อของเจ้าของเมื่อวานี้ผมเองเคยมีก่ายเป็นว่เคยอ่านเรื่องมันเรื่องตัวหู้นต่ว่าผมว่าเคยมีมันต้องมีหัให้เกิดสงสัยมีครึกลงไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหะขั้น นามาทํล้วนๆนี่แหละข้นรูปธรรมคือร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้ว่ยังจะเวทนาเรื่อการเป็นยานแต่เพราะอย่างยี่กสังขารก็เป็นหนาคือมันเอาไปอยู่ตลอดมันปรุงวะปรุงมันรู้มันทันกันตลอดตลอดตลอดมันเกิดมาจากไหนไรอะไรลง อ้ึงขันหนึงที่นามันเป็นยังไงมันมันมันมันมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอัเมือนจับแล้วเหมือนกับว่าเกิดนะปล่อยแล้วเหมือนก็ว่าตายจับ้วเหมือนก็เกิดปล่อยแล้วเหมือนว่าตายต้องเกิดตายเกิดตายแล้วล่ะมันกาหนดอยู่ทีนี้พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยทีนี้มาจับอีกมันถูกตึ๊ขึ้นมา ไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จนี่ไม่ใ่เสร็จเลยหอเนี่ยเะมันเอนี่ไม่ใช่สิ้นเลหรืเยถ้าสิ้นทำไมสงสัยน่งมันขึ้นรับฟันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยน่ยพอมันก็เบื่อมันไปเลยความสงสัยนี่หายว่ะไม่ใช่สิ้นเลยหอเนี่ยความสงสัยนี่มันก็ถูกกับน้าลบล้างทันทีเลยถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยนี่ความหมายว่า แต่นี่ม anyway. ัน <m uch elli> สง ส, สัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายกับนั่นผมไม่มีกุญแจรือมีอะไรน้าหนักมันเคยเป็นผมแต่นั่นไม่นานนะเพาะว่าฉันอาสาที่ดิโก้ดิว่าไงฉันทิโกเป็นองค์แทนศาสดาองค์ท่านเห็ยแล้วยัเป็นอะรต้องมาถามูุถาบูยเจ้าก็สันที่ิโกโหมประกาศไว้แล้วนั้นอิโกแล้วคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดา คุอรู้เองเห็นเองประจับในตัวอย่างอย่างที่พระคือว่ามันไปจะไปเศ้ากับท่เจ้าพอได้ถึงพระคุดีแล้วฝนตก่างนั้นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามกลับเลยเนะวันนั้นเนาะสานิติโกประกาศสร้างแล้วมาขนาดฐนดิติโกมันทําให้คิดย้านหน้าย้านหลังผมแล้หลับปฏิปทาของตั้าเงินเจ้าของก้านเนี่ยก้นที่ยมันทําให้คิดอยู่ คือเวลาจิตมันเฉื่อยมันเป็นพื้นเป็นไฟนพิถาไง น, นั้นพิถาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันมันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจุดติดเสียอย่างนี้มันไม่มีเนี่ย อ, อันนี้สืหน้าชมอยูน่นะอืำไมถ้าไม่คิดนะ นึกจะจะมีอุปนิสัยอยู่ทีไ่ไหนไม่ยมย่ยอจะของทั้งหน่อยความจะลันจะมีอุปนิสัยอยู่ทีไ่ไหนมันถึง ม, มันถึงไม่ถอยเีย้ขนาดที่ว่าร่อนไปคนไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร่อนภายในจิตใจความถอยนะมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยไม่จะเอาท่านนั้นเอาท่านนี้อยู่ น, นั่นนี่สําคัญอยู่ต้อให้คิดอยู่ประยุทธ์นะ ออย่างหนึ่งมันก็เฮ้ไม่ไหวอ่ะเลอเลยไม่ภอนานกเ็นเามันกรสุดทนะใช่ไหอืะอันนี้อ่ะทาให้คิดอยู่มันมันของมีมามันทีมาสรุกเรื่อยเพราะมันเด่นมากคีมันไม่ถอยอย่างเรื่องมนเสือมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นไงเออผมปรากฏเรา มันร้อนก็จริงๆนะติดเสือมหรือไหนไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่น่ะพยายามเอาเท่าหร่ความใจแล้วเป็นยิ่งขยับใหญ่บ้างโอไม่นอนวางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสือมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่ปตาอย่างนี้มันที่มันโมโหหลายเนาะโมโหยริงนะผมนะโอ้ไม่มาเป็นยีอยังไม่ทันเลยทําวิธีนั่นแหละเนี่ยมันก็เอาวิธีหนึ่งมาจนได้แล้ววิธีที่ว่าอ้าวอะไรก็เสื่อมเสื่อมเพอยากให้มันใจมันใจพอแล้วมันก็ เสร็จจกนั้นตายอ่ะเอาวิธินี้หวังนี่นะบวนี่วะอพุทโธอาที่พุทโธท่นนั่นี่นี่นะไม่สนใจกับความสำเรองแล้วนี่ไงเขาหยับหญ่แต่นิสัยผมมันจริงนะข้างใมันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องสมได้ชมเพราะมันเด็ดจริงๆจริงจิงๆนะอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะฉันเห็นอะไรเราหราแล้ันเรืดูไปได้นะมันเข้ากันไม่ได้ก็นิสัยนี่ผลประโยชน์มันเกิดยังไง เกิด้วความจริงความจานั่นอันหนึงน่งหรือว่าผู้โทมันก็เอาจริงไม่ให้เผลอนี่ย น, นะท่านผู้หนึ่งตัดกว่าเนี่ยาเห็มือพูโทโธจะหลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่งนี้ไนะเหมือนกับผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจํำตลอดผู้โธมัดม จ, จิตไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมมาตามคิดเจะเลวมาตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่ไเห็นจะเลวอะไรหนะัก เจาพรพธป น, นี้อพุทโธพจมจะจมทนี้มันก็หมุนเกีวกับพุทโธแตตาจะอยู่มันก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นเบญจธรรมา น, นัยไม่ให้เผอโอ้โทุกมากนะอันนี้ปเรื่องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอยากให้เสอเนี่ยพแม่กุจา์ท่านไปเาศพพระแม่กุยจานสา ผมอยู่งานสุญญตอนนั้นมันอยู่องคเดียวไปัดตัดลานละกว้างนี่แห ะ, ล ะ, ะบริเวณกว้างไม่มีต้นไมามีพุทธีใหญ่หลังเดียวคุณก็ปัดกวด้กวางกว้างกว่าบริเวณฉลาเนี่ยน้องหมดเลยปัดคนเดียวอแล้วนี่นเทีย น, นไม่ลืมนะ มันบิดบางครั้งอย่างนั้นกวาดก็วาดไปเข่อไม่ยอมให้เข่อะเวลามันเด่นมันก็เด่นอย่างนั้นนะมันเลยไม่ลืมะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันให้เวลามันไปถึงการจริงนะคือพุทโธทีเวลาเอากความจำเนี่ยมันไม่มีทางไปจริงแล้วพุทโธกับหินเรื่อยๆค่อยเกินๆกินจะไปอันเดียวกันแล้วมีแต่ความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธเพื่อบริกรรมก็ไม่ปรากฏ แต่บริกรรมทั้งอะไรก็ไม่ปรากฏทำไ ม, มเป็นอย่างนี้นะอ้าไมนเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี้มันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมจะไม่ให้เผยกับความรู้นี้เนี่ยมันที่เราไม่เผยกับพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันก็กลื่อนเดียวกันเป็นความรู้แล้วอาไม่ให้เผยกับความรู้นี้หนักทีนีนนพ้พอมันเข้าถึงกันแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยเพราะพอมันที่ขายออกมามันต้องเป็นมันเองนะพอที่ขายออกมาพอบริกรรมแล้วป๊าเข้าไปอีกเลยมันเป็นตังหวะตังวะกัเลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริง พุทโธนี่หายนะน่นมันรู้เนี่ยขอรบเป็นไเจ้าของไม่รู้ได้ไงเหาจริงๆเจ้าบริกรรมท่านมันก็ไม่ปรากฏคําว่าพุทโธนะทั้งๆที่ตะก่อนมันก็ปรากฏปรากฏเพราะละเอียกเปรากฏหมดพุทโธไม่มีแต่ความรู้เด่นนะไม่อยู่กับความรู้ที่เขียเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคําว่าพุทโธมันละเอีอยดขนาดนั้น ด, ด, ดู่เขี้ยอยู่กับไม่เผื่อกับผู้รู้นั่นอีกหละเอาถอยออกมาครับ๊บพอพอมัน มันขี้เหมือนเรามันขี้คลางมาะบริกรรมพุทโธปรากฏเอาพุทโธเข้าอีกเลยนี่ไปถึงขั้นมันมัเจริญไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะนี่มันเสื่อมไถึงนี่มันจะเสื่อมไถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะระวังแต่พุทโธเท่านั้นนิดหา่อยข่าวดี่ยถ้าว่าปล่อยปล่อยจริงนะนี่ใส่ไอนี่นะเราไม่ระวังคำว่าเสื่อมว่าเจริญไม่ระวังจะระวังแต่พุทโธไว้ให้พุทโธหนัก รัดกันนี้มันก็ไม่เสื่อมเขานานเข้านานเข้าถึงการเวลาที่ควรจะเสื่อมมันไม่เสื่อมมันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปวิจาวิจัยกันมันไปนั่งก็บช่างหมันเถอะได้ทอดอะไรตาอยากไปแล้วมันก็เรื่อยๆเหมือนกันเลยอ๋นแหนมก็รู้อ๋อที่กิดแล้วเสื่อมเสื่อมเพราะความคาดความหมันไม่อยู่กับปัจจุบันนานมันคาดสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอยให้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ไม่ทํางานในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นเลย เป็นที่ไปก็เสื่อมเสื่อมเสี่ยมันเด็ดของมันมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วต้องตายสอังบ้ามันเข็ดแล้วขนาดนั้นนะนั่นก็มัเสื่อมเวลามันมปฏิสมาอะมันก็มันไม่เคยทางบัญญัติสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดละเอียดขนาดที่ว่าไม่กําหนดนาทีวินาทีนะให้เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นนะฟังซิ ความข้างของสมาธินี่ยกำเนดเมื่อไรผึงเนื้อก็มันจะลงอยู่แล้วจะอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบลูกเสียงถือด้วยข้างฝัดมันเหมือนกับไม้อะไรมาขย่าเนี่ยมันมันไม่สบายเมื่อลตาไม่ถือลูกด้วยคิดแล้วลูกเสียงเลยมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาขย่ายจิตดวงสงบนั่นให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเสี่ยงแล้วก็พาพปล่อยภาพมันก็แน่วเลยเลยแล้วเป็นยังไง่ะฟังดละเอียด จนก็ะสั่งถึงว่าผู้รู้นี่อาะจะเป็น น, นิพพานมันไมฟัดตึงกลับมันไม่ไปเลยนี่ปางไงก็ถ้าเป็นอาหารอาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกืนหมดได้ยังไงที่เดียนมันไปจมอยู่ในนั้นนั่นจะบอกทั้งก้างทั้งกระดูกเวล า, าขั้นบัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ขันหนาบใหญ่นี่เนี่ยที่ผมเม็นคุณท่านมากเห็นหมันนี่สิมานนัรร้นเขียงท่านทศดาดัมใจ รัฐกับท่านมันบ้าโูลูไปแล้วไอ้กูเก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มาคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไรเ่ยจนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะัแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกเสียงกันนี่หละเอาไงเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้โหเห็นคุณพงปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอยู่แหละมันไม่พอดีเนี่ยผมแปลว่าเป็นนิสัยพาดผลอย่างบอกแล้ว พุ่งพุ่งทั้งด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เหมือนน่ะปัญญามันก็กล้าว่าตึงๆนู่นนะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่มาตาเบี้ยนทั้งอีกอนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทั้งด้านปัญญาที่มันออกกันได้นะบางคืนไม่นอนเลยรว่างนั้นนั่นแต่มันลงชังขาดนั่นมันแก่นี่ครับ นั่นมันหลงจังขันเอาถ้าไม่คิดม <cas dial> ัน <olmay> ก็ไม่ร right? <cas> ู้เห็นนั่นมันหลงจังขานบ้าหลงจังขันขนาดใหญ่นียคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมนท่านแหลความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหากว่าเลยเถิดมันสูงเกินตายข้อหมายกันว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราเป็นดีสายอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันหลงสังขันไต้โคลงนี้เลยข่าวหลังพอออกไปมันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธิเองข่าวนี้เสียงเท่านั้นไม่เถียงมากนะมันจะถูกอย่างท่านที่ว่า สมาธิมันนอนตายเฉท่านรู้ใหมรู้ใหม่มันคงจะเป็นนะอย่างท่านนี้เป็นผู้งท่านอย่างนั้นนะแต่ที่เรื่ความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินเกินได้เหมอนแด็กจนแ้วมันจะตายจริงแล้วมันถึงมาเข้าสมาธิทีหนี่งมันทางานขอเราผ่านมาแล้วมันทึงรู้เวลาจะตายจริงมันก็มาพักสมาธิทีหนึ่ถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลิน นะี่จะ ว, ว่าอุทจรจอุทจักรความเพินมันก็รู้เองนะเ น, นี่ถ้าจะว่าเป็นอุตตรีหรือปอุตต ร, ริกก็แล้วแต่เถอมันรู้จริงเป็นสัต์ในหัวใจเนี่ยยไม่ให้พูดได้ยงไงอ๋ออุทจรจักรที่ว่าอุทระจักรกู้จักในทีบห้ากอุทจักรสัมฤทธิท่านได้สัม์บนทอุตระได้ไว้วันผิดกันยางน้เอเมันรู้วิญญาณนี้มันเพลินในการพิจาค่ากิเลสเนี่ยอุทะจักกูจักรัมฤทธิวว์มันมีอยู่ในเั่วไปของสามัญนชนามา อุทจจานั่นอุทจจของกิเลสอันนี้อุทจจา น, นี้มันความพุ่งจะฆ่ากิเลสมันต่างกันอย่างนี้แต่บาเพลินมันไม่พอดีนะเรียก ว, วอุทจจามันเรียกว่าอุทจจามันเพลินเกินตัวหว่างควบแ น, น, น่พักบ้างทํา ง, งานบ้างหว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูด ม, มันพำให้เพลินพุ่งพุ่ง ออกน้ำน้อกับไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดนมันเป็นทั้งมันเองมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปเลยของทุกระดัทุกระยะระยะไปมันจะเอามันจะพูดมันได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เปนเรื่องาสนาธรรม นออยา่าอยา่างให้หปเพื่อนเห็นได้รู้ทั้งทั้งนอนแทนนะโถโถเลยอาตจักรทวยเจ้านะมางมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นเงินเป็นทองจี่มันน่าทุเรศนะเมื่อเทียบแล้วมันเป็นอย่างนั้นะระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะวิสุทธิธรรมนิมิติธรรมกับโลกโลกสมมุติเนี่ยมันเทียบกันได้มั้ยนว่างมขย่ำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดี <c oughs> นั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้น นี่ดิเข้าใจบ่าสมาบ้ามนั่นนะผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางทั้งหมดโดยประกรนันทั้งบวกแล้วกับอันนี้ดีอ น, นั้นดี ข, ขี้ขยำขี้กองขี้มั น, นต่างกันยังไงบ้างนึกจากว่าอย่างนั้น <c oughs> เขาจะว่าบ้าแล้วะ <c oughs> เรากูจะว่าวงนะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นความเพียรมันจะดิ่งขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจถึงใจมันจะเป็นดิ่งขนาด เห็ทนทวดกเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ผึ่งเลยมันรอไม่ได้ว่างันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนุน่นหักฟังเสียมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างันนุ่นหักฟังทียถึงขั้นมันเห็นมันเห็ น, นหญิงถึงภยัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราอยู่แล้วจมอะไรดีได้ดี ขับป้อมสมอกันดีหัวสูงมันอ่เพราะนั้นเวลาเขาคําปอมสอมาเราถึงบอกเอาไว้ที่ไหนนี่น่นไว้ลงปอมไปก็ว่าน่นไว้ลงปอมไปปอก็ปหมอมีนีก็อย่างงั้นี่เขาก็งมองหน้าเรามองก็ตามพี่แล้วก็พูดเรื่องของเราเขาเขาก็ด้ินนวดไว้ลงปอมไปเขาก็งงคือมันปฎิทุกสิ่งทุอย่าง กินอันนี้กันเราในปดแล้วมันสดให้หมดทุกสิงอย่างเนี้ว่ามดเลยพื้นจัวัดแดนสมมติวางั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลยมีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเน่แย่พูดกับพูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรตอนนั้นเองนี่ก็ทําบอกอยู่แค่เนี้ยชี้ก็ไปไปอย่างงี้ไม่อยากไปเนี่เหล็กอำนาจของมันแรงขนาดนั้นะดึงออกจนได้แล้ยดึงออกจนได้ อาทางกรมตั้งนาทียังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราว่าอยากพูดอ่ะนาทีนะเรายัางนี้ว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมาเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเห็นนู่นไปถึงขั้นไม่เผินสินั่นกะมันมันมีเทียบกันไหมนะสมาถ้ามันไม่มีอนั้นมาเทียบกันมันมันก็ไม่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เยอะไรมาฟูดว่าไม่ไม่มีอะไรเทียบกันทำอะไรพระมันก็เผอไปแล้วพระเผอ ครันี่เผลอนะการนวดนี้เผอนี่อยู่ท่านตลอดเวลาอํานาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกันหรแต่เราไม่รู้ที่ว่ามันดึงดูดยังไงอืมเป็นบ้าก็มันเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าด้วยนะเมื่อก่นมันหลายชั้นนู่เพลาถึงขั้นนั้นที่เราเรียกว่ามหาปีความวิญญาอะไรก็เรียกมาไม่เรียกมันขั้นมันไม่เผล่วางั่นเลยจะทําไงให้มันเผอหน่อยเผล่นั่นฟังดิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผอนั่นฟังดิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอนู่น มันต้องพูดทำมันเด็ดเด็กดีก็มันรู้มันชัวรไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่ายังไงวะนั่นน่ะถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผอตาทํตั้งท่าทํำท่าจะเผยมันก็รู้ว่าทําททาท่าอย่างนี้แน่มันก็ไม่เผออีเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันมันมันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ไม่มีบัคมีตอนนั่นมันเป็นอย่างนี้จริงนี่เวลาจะให้มันเผอมันจะเผอมันนะเราเราตั้งท่าทคิด ถ้ามาเจอเหมือนว่าจะให้มันเผยอยู่เหมนมันก็รู้ว่าจะให้เผอเสียเนะยมันก็ไม่เผยที่นี <the> ่มัอยู่อย่างนั้นเนี่จะว่าถ้าหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเมื่อกู่ขั้นนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดก็ไปละเอียเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญานี่ไม่เพียงว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่าามันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านไม่ฝนจดทะยานเหมือนขั้น ปัญญารูป ก, กายก็ตามมันก็ผ่าผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดก็ไปละเอียดไปนีโอ้โ่ก็เหมือนน้าจับน้ำํำซึมกันนะจึงขเคยจึงได้อดพูดมาแล้ว่อันนี้ที่ว่าเป็นเป็นปัญญาประเภทใดนานถะ้าเราหาจิตวิทยาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดก็เขาไปอินถนัดมนะันคืออะไรนาะอะไรนาอยู่เงินในในในความพีเ น, น, นี่ยโบลาณทั้นก็มาแสดงเอาไว้ อี่เรามีมีฮะไม่มีนั่นมีแต่ว่ามหาสิาที่นีเวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่งั้นกินมันละเอียดตงกนมันคืออะไรนะอะไรน่นะมันเป็นหมือนน้ำชับน้ำซึมเนาะธรรมชาติอันรนี้สกเป็นญาโอเคนี้นะมันละเอียดขนาดนันคืออะไรนะคืออะไรอย่างนั้นเนี่อที่มันไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่นั่นอย่างไรอาละเห็นนะเลือกกันนันนะ